ให้พวกเราได้สวดบดมหาเศรษิีประธานนั่นสวดนะแต่มันก็แค่ย่อๆนะที่จริงไม่แต่หมวดกายนุปัสนามันก็มีหกหกวพักหกหกหมวด น, นะเวทนาจิตาตาธรรมาอีกก็เรียกะมากใครสนใจก็ไปหนขางเรานนแต่จริง มันมีหลักแค่หลักที่เหมือนกันนะตอนสุดท้ายะจะเป็นกานาควานั้นสติก็ดีแต่เป็นยีรียวหมดยืนเดินนั่งนอนก็ดีหรืจะเป็นยีเรียวหมย่อยก็ดีนะตอนสุดท้ายมันจะเหมือนกันแล้วตรงที่เหมือนกันนี่แหละสําคัญมากคืออะไรคือ <Okay. S 1> เห็น การพาตปีนะั้นใช่แต่คือเห็นเห็นความเกิดขึ้นในกายบ้างเห็นความเสื่อมไปในกายบ้างเห็นทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปคไนในกายบ้างหรือก็เห็นต่อนะเห็นว่ากายเป็นสัตว์แต่ว่าสิ่งที่ถูกรู้นะกายยังมีอยู่ มีอยู่เพื่อให้ถึงเครื่องเครื่องที่ถูกรู้นะักแต่ว่ารู้นะแล้วก็ไม่ไปยึดติดในกายนั้นอันนี้นประมาณนี้นขความความหมายจริงนะก็คือว่าหลายอย่าง คือจะดูลมหายใจก็ดีนะดูใจปวดสีก็ดีหรือดูเส้นเสื้ยวปดย่อยก็ดีเพียงแค่เราอาศัยเขาตื่นเป็นตัวรู้เรีนรู้ว่ามีกายรู้ว่ามีรูปนะรู้แล้วไม่ปีติไม่เปีติอยู่ในรูปนะั้นเวทนาก็จะเหมือนกันนะเราตื่รู้เวทนาเนะวทนาเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ถูก รู้จิตก็เหมือนกันจิตในที่นี้นะมาเป็นตัวรูอาการของจิตนะศาสตราพรียกว่าเจตสิกนะไม่ใช่ไปดูตัวจิตโดยตรงนะตัวจิต ต, ตรงตรงเนี่ยมันไม่มีอะไรจิต ต, ตรงๆมันมันมันจิตเฉยมันเป็นปกติแต่เราไปดูเจตสิกคืออาการที่เกิดขึอนอ้นในจิตฟุ้งซ่านไม่ฟุ้งซ่านนั่น มีโทสะไม่มีโทสะมีโลภะไม่มีโลภะมีโมหะไม่มีโมหะอะไรประมาณนะีนะ้คือมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตนะเกิดขึ้นกับจิตแต่จริงมันไม่ใช่จิตส่วนธรรมานงปัสสนานะั้นีเยอะมากนะทั้งที่เป็นอ ก, กุศลทั้งที่เป็นกุศลหรือทั้งที่เป็นสลงการก็เยอะมากคือที่จริงเราจะรู้อะไร เราเลือกไม่ค่ได้หรอกเราจะรู้อะไรคือสตินใดเขาเด่นสติเขาจะไปรู้ที่ตัวนั้นแต่เบื้องต้นอ่ะที่เราฝึกเราจะรู้กรรมฐานอย่างอื่นอย่างเช่น เ, เรารู้กายเป็นหลักนี่เพราะเราเอาเป็นเบื้องต้นแต่พอสติเขามีเป็นอัตโนมัติเขาเกิดขึ้นของเขาเองเนี่ยครั้นีน้นเราเลือกไม่ได้หละ จะรู้กายหรือรู้เวทนาหรือรู้จิตหรือรู้ธรรมแล้วแต่ว่าสติเขาจะไปรู้อะไรเพราะว่าทั้งสี่ทั้งสี่หมวดเนนะี่ยมันเกิดขึ้นพร้อมกันในปัจจุบันในหนึ่งขนาดจิตเนะีมันมีกายมีเวทนามีจิตมีธรรมเกิดขึ้นพร้อมกันอยู่แล้วแล้วแต่ว่าสติเขาจะไปเล้วจรู้ตัวไหนตัวไหนเขาเด่น สติก็จะไปดูตัวนั้นหรือจิตนิสัยเราเคยฝึกมาแบบไหนฟุ้นแบบไหนมันก็จะไปได้รู้ตัวนั้นอันเนี้ยมันไม่ใช่สติที่มันไม่ใช่ ม, มชีการตั้งใจจะไปดูแอ้วนะมันเป็นการไปรู้โดยโดยจิตนิสัยของจิตหรือเป็นการนึกรู้โดยที่ว่าสภาวะธรรมตัวไหนเข้าเด่นสตินก็จะไปดูที่ตัวนั้น นั้นเริ่มแรกอะ่ะเราอาจจะรู้รู้กายเคลื่อนไหวเป็นเรื่องต้นอันเนี้ยแต่ต่อไปนะมันก็จะไปรู้อย่างอื่นของเขาเองซึ่งเราก็เลื่อไม่ได้นะบางคนก็จะรู้กายเป็นหลักจนทั้งแตกฉานในกายนะเห็นความเกิดขึ้นเห็นความดับไปในกายเข้าใจในแตรลักษณ์ของกาย ปล่อยวางการยึดมั่นหรือมั่นในกายได้โดยการดูกายเป็นหลักก็ได้น ะ, ะเขาจะเข้าใจจิตใจว่าคล้ายๆกับร่างกายแบบนี้มันเหมือนกันเข้าใจกายเป็นหลักก็ได้แต่บางคนก็อาศัยร่างกายเป็นกรรมฐานเบื้องต้นต่อไปก็ไปเห็นเห็นความคิดเห็นจิตเห็นเวทนาแต่สุดท้ายนะทุกคนจะไปจบที่หมวด ทำมาเหมือนกันคือเห็นอริยสัจสี่จะเป็นต้องไปจบที่ตรงนั้นนะจะเริ่มจากตัวไหนแต่สุดท้ายต้องไปจบที่เข้าใจอริยสัจสี่เห็นทุกเห็นเหตุของทุกข์นะคือตัณหาละส ม, มุทัยได้ละตัณหาได้เขาเห็นนิโรธแจ้งนิโรธนะโดยการที่จเจริญมรรคมันจะไปรวมกันที่ตรงนี้คือ คือตัวอริยสัจเพราะว่าในในรูปในนามเนี่ยมันมีอริยสัจอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยนุ ท, ท้ายเราก็จะไปแจ้งตัวที่อริยสัจเหมือนกันจะเดินทางไหนก็แล้วแต่มันจะไปแจ้งที่ตรงนั้นนั้นการเห็นทุกข์จึงเป็นสิ่งที่ที่สําคัญมากน ะ, ะเห็นทุกข์ที่เราส่วนมนั่ะ เกิดแก่เกิดแก่เจ็บตายก็เป็นทุกข์พัดผ้าสูญเสี ย, ทาทายจากสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์อันนั้นเป็นทุกข์แบบพื้นๆให้คนทั่วไปจัต้องได้อันนั้นยังไม่ใช่ทุกข์อริยสัจนะทุกข์อริยสัจจริงๆเนี่ยคือรูปกำนานเนี่ยมันคือตัวทุกข์รูปเนี่ยถ้าเปลี่ยน ก็เหมือนจะเหมือนคล้ายๆเหมือนทานไปที่มันมันร้อนๆอ่ะแต่เรายังไม่รู้สึกนะว่ามันเป็นของร้อนยังไม่รู้สึกว่ามันเป็นตัวทุกข์มันก็เลยยังเป็เย็ดอยู่ยังเป็จับอยู่นะต่อเมื่อมันมันคล้ายๆมันแสดงความทุกข์ให้เห็นชัดๆตอนนั้นเราถึงรู้สึกว่ามันเป็นทุกข์ตอนไหนมันมันอุ่นๆ หรือมันเย็ยนๆเราก็รู้สึกสบายมันด่างกายนะด่างกายธรเวลาปกติมันก็รู้สึกว่ามันไม่ทุกข์แต่จริงๆมันมีความทุบบีบพันมีลมเข้ามีลมออกมีความความเกิดขึ้นของเซลล์มีความตายไปของเซลล์นี่มีเรียกว่ามันทุกข์คือมันอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันต้อง เปี่ยมันต้อง อ, อยู่นิ่งไม่ได้สภาวะทุกข์ตัวนี้แหละมันมีในรูปเราดูแบนนะเราดูกายเคลื่อนไหวที่จริงดูกายเคลื่อนไหวนะ่มันเห็นทุกชัดขึ้นดูกายเห็นทุกง่ายเห็นไม้มนั่งก็เป็นทุกยืนก็เป็นทุกนอนก็เป็นทุก เดินก็เป็นทุกข์เราว่าเราแก้ทุกข์ก็หนีทุกข์ไม่ได้นะใช่ไหมแก้ทุกข์เปลี่ยนจากนั่งไปเดินก็เพื่อแก้ทุกข์หายใจเข้าเพื่อแก้ทุกข์หายใจออกเพื่อแก้ทุกข์แต่มันแก้แบบวนอยู่ในทุกข์อ่ะถ้าเราดูดีมันจะบนอยู่ในทุกข์นะทุกข์มันแก้ไม่ออกเลยบนรูปมันเป็นตัวทุกข์เหมือนกันนะดูดีๆพอดูนะอ๋อรูปเป็นตัวทุกข์ หายใจเข้าเพื่อแก้ทุกข์แต่ก็ต้องหายใจออกเพื่อแก้ทุกข์อีกแล้วกินเพื่อแก้ทุกข์มันก็ต้องถายเพื่อแก้ทุกข์อีกแล้ะยืนก็เพื่อแก้ทุกข์แต่ท้ายก็ต้องเดินเพื่อแก้ทุกข์นอนเพื่อแก้ทุกข์มันแก้ไม่จบเลยทุกข์เพราะร่างกายมันเป็นทุกข์นะดูดีๆเราดูร่างกายมันจะเห็นความทุกข์อยู่ในร่างกายได้ปชัดขึ้นเนาะถ้าเราดูดีๆร่างกายมันแสดงความทุกข์ให้เราเห็นชัด จะเบื่อหน่ายใครความยึดมั่นในร่างกายได้จากการเห็นทุกข์ของร่างกายเห็นทุกข์ของลูกมันก็จะเบื่อหน่ายได้แต่เห็นจิตใจเนี่ยมันจะเห็นง่ายเป็นความไม่เที่ยงทุกข์ของลูกบางทียังถ้ามันไม่แรงมากบางทีก็ไม่ค่อยเห็นแต่ทุกข์ของนางเนี่ยหรือว่าทุกข์ของนางนี้ก็ดูยากเหมือนกันนะ มันต้องแบบโกรธแรงๆถึงรู้สึกเป็นทุกข์อยากมากๆแล้ไม่ได้อย่างติดที่อยากก็เป็นทุกข์แต่นะแต่นามเนี่ยมันแสดงความเปลี่ยนแปลงให้เราเห็นบ่อยจากหมุนหงิดกลายเป็นเริ่มไม่พอใจกลายเป็นเริ่มโกรธกลายเป็นเริ่มเกลียดนะมันมีมันก็คือการเปลี่ยนแปลงระดับของของโทรศัพท์หรือบางขณะเดี๋ยวก็พุ่งสร้าง เดี๋ยวกมีตุ้มร้ามนะคือจิตมันเปลี่ยนแปลงให้เราเห็นบ่อยมากเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีเขาแสดงจิตที่เปลี่ยนแปลงให้เราเห็นว่าจิตอะ่ะมันไม่เที่ยงนะจิตอะ่ะโดนทั้งมันบังคับไม่ได้ด้วยมันไม่ใช่ของเรานะถ้าเป็นของเราเราก็ต้องสั่งมันได้สั่งให้โกรธได้ไม่ได้ไหม สั่งให้ไม่อยากได้ไม่มสั่งให้สงบได้หรือเปล่ามันสั่งไม่ได้ดูนะวเวลาดูจิตนะ่ะไม่ใช่ดูเพื่อจะบังคับให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการนะแต่ดูว่ามันบังคับไม่ได้ดูว่ามันสั่งไม่ได้ดูว่ามันเกิดของมันเองดูว่ามันไม่เทีย่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าเราดูตรงนีน้เราจะเข้าใจโอ้อ มันมีตัวตนของเราที่ไหนมันไม่มีนะมันบังคับก็ไม่ได้มันอยู่ก็ไม่คงที่นะมันเปลี่ยนแปลงของมันไปนเรื่อยอันนี้คือจิตใจก็แสดงความจริงให้เราเห็นนะ่ะถ้าเราเห็นตรงนี้นะอ๋อจิตมันก็ไม่ใช่เราเจตติกเอ็มันก็ไม่ใช่เรานะแต่ส่วนใหญ่มันจะเห็นไอ้พวกที่เป็นเจตติกคืออาการของจิตนะอาการของจิตนะ มันมีสภาวะนยจิตมันเป็นเหมือนแค่สิ่งที่ทำให้เจติติมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นบนจิตถ้าไม่มีเจติติถ้าไม่มีจิตนะก็ไม่มีเจติติเจติติคืออาการนะอาการเหมือนไม่มีรูปสมมติถ้าเราไม่มีรูปมันก็ไม่มีอาการของรูปไม่มีความปวดความเมื่อยไม่มีความหิวใช่ไหมถ้าเราไม่มีรูปมันก็ไม่มีพวกนั้นไม่มีจิต มันก็ไม่มีอาการขงจิตเหมือนกันน่ะมันมีรูปมันมีจิตมันมีเจตสิกสามสิ่งนี้นะมันตกอยู่ในกฎของไตรลักษณ์เท่านั้นล้วนไม่เที่ยมล้วนเป็นทุกข์ล้วนไม่ใช่ตัวตนมีแค่สภาวะเดียวคือสภาวะนิพพานสภาวะนิพพานเนี่ย เป็นสุขแล้วก็เทียงแต่ไม่ใช่ตัวตนอืมเป็นอนันตาน ะ, ะตัวนิพพานเนี่ยเป็นสภาวะที่เมื่อเขาถึงนิพพานมันมีแต่สุกพระอาจาบอกนิพพานะนามปรมาสุขขันนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเป็นสุกเพราะว่ามันพ้นจากทุกไปเป็นสุขอย่างยิ่งและนิพพานมันเป็นของเทียง ไม่ใช่เป็นพรอาหารแล้วต้องกลับมาเป็นตัวดุจชนอีกไม่ใชนะ่ถึงแล้วก็ถึงเลยเที่ยงนะไม่เปลี่ยนแล้วนะนั้นสภาวนิพพานเป็นสุขแล้วก็เป็นสีที่เ ท, ที่ยงแต่ก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของนิพพานนิพพานก็ไม่เรียกเป็นขอ ง, ของใครนิพพานเป็นสภาวะสภาวะที่มันมัน้นจากรูปจากจิต จิตเจตถิตแต่ที่จริงมันก็หามันก็อยู่ในทั้งรูปจิตใจสติตนั่นแหละนะมันอยู่ในนั้นอยู่ด้วยกันอันนี้คือเพราะวพุทธเจ้าท่านเห็นความจริงตรงนีนนะ้มันมันแตกต่างจากจากวิธีการปฏิบัติหรือว่าการหาทางคนทุกข์โดยวิธีอื่นห ล, หลายทางมากเพราะส่วนใหญ่อย่างพราหมณ์นะ เขาพยายามที่จะฝึกอัตตาให้เป็นอัตตาที่ไปที่ไปรวมกับกับสิ่งสูงสุดนะแต่มันยังเป็นอัตตาเป็นอัตตาที่ไปรวมกับสิ่งที่สูงสุดแต่ศาสนาพูด่ะมองว่าโดย เ, เดิมแท้แล้วมันเป็นอนอัตตามันไม่มีใครเป็นเจ้าของอมืมันไม่ใช่เราปฏิบัติเพื่อให ให้เราเปเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ปฏิบัติเพื่อถอนความเห็นผิดว่าไอ้ที่เป็นสำคัญมั่นหมายว่ามันเป็นเรานั่นแหละถอนตังนั้นเสียมันเป็นความไม่ใช่ตัวเราในรูปในนามในจิตหรือแม้แต่นในสภาวะนิฐานนั้นฝังแบบนี้ดูน่ากลัวไหม ไม่มีเราเลยไม่มีตัวตนนะเวลาปฏิบัตินะบางทีพอมันเห็นกับแบบอะ่ะเห็นสภาวะที่มันเหมือนไม่ใช่ตัวตนนะบางทีถ้าคนเซลลจัดเัืงหน่อยอะ่ะจะรู้สึกแบบกลัวตกใจแล้วก็แบบลังเล ว, ว่าจะเดินต่อดีหรือเปล่ามันเหมือน คือโลกข้างกมันเหมือนจกหายใจตอนหน้าเพราะว่าเรามีชีวิตตั้งแต่เด็กเพื่อจะสร้างตัวตนอะไรสักอย่างตัวตนที่อยากจะเรียนเก่งตัวตนที่อยากจะเป็นคนที่ขำคมยองรับตัวตนที่อยากจะเป็นคนดีอะไรนะคือในกระบวนการเรียนกระบวนการทํางานกระบวนการใช้ชีวิตเราทําทุกอย่างเพื่อเพื่อสร้างตัวตนสักอย่าง มีตัวตนขึ้นเพื่อให้คนยอมนับในตัวตนของเราหรือเรายอมรับในตัวตนของเรเองแต่พอเริ่มเห็นว่าสภ า, าวะจริงๆแล้วมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวตนมันจะตกใจนะมันจะตกใจตัวตนมันหายตัวตนเราหายยังมีตัวตนเราอย่นะตัวตนเราหายไปนะเราบังคับมันไม่ได้นะมันจะรู้สึก มันจะรู้สึกมันเราเปลี่ยนโลกนะมันเราเคยอยู่ในเมืองไทยเนาะพอไปอยู่ต่างประเทศมันจะรู้สึกเปลี่ยนเปลี่ยนวัฒนธรรมเปลี่ยนอะไรนะมันจะรู้สึกแต่นี้มันจะหนักกว่านั้นเพราะมันจะไปอยู่ในสภาวะที่มันไม่คุ้นเคยเลยไม่คุ้นเคยในสภาวะที่ที่มันไม่มีตัวเราไม่มีความของเราจริงจริงมันจะตกใจนิดนึงแต่พอเห็นบ่อยๆนะพอ เห็นมาไม่บ่อยก็มันก็จะมันก็จะชินขึ้นมันจะรู้สึกเอย อ, อันนี้แหละคือคือความจริงเนาะคือความจริงซึ่งถ้าเราภาวนาไปเรื่อยนะมันจะค่อยๆเข้าทางตัวนี้แหละเข้าเข้าทางตันที่เห็นนะ่ะเห็นสภาวะอย่างมารู้สึกถนัดในการเห็นความไม่ใช่ตัวตนแต่บางคนอาจจะถนัดในความเห็นความไม่เที่ยง ก็ได้หรือบางคนอาจจะถนัดในการเห็นสภาวะต่งตางๆมันเป็นทูกก็ได้แต่มารู้สึกดูดูร่างกายก็เห็นมันมันเป็นลูปมันก็ไม่ใช่ประรูปของเราอย่างบทบทที่สวดอะนะบทมหาติปทานทนี่สวดที่ยืนเดินนั่งนอนแต่มันก็ยังแยแยนใจนะบอกว่าอ่า ยืนอยู่ก็รู้สึกว่าเรายืนนะมาว่าแปลถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเดินก็รู้ว่าเราเดินเพราะในภาพปฏิบัติจริงๆมันไม่รู้สึกว่ามันเป็นเราอะ่ะยืนก็แค่รู้ว่ า, ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนอนก็รู้ว่านอนนั่งก็รู้ว่านั่งหรือแม้แต่พจน์ภาษาที่เราเรียกว่ายืนนั่งนอนก็มันก็ไม่มีนะแม้แต่ภาษาที่เป็นสมมติว่ายืนเดินนั่งนอนมันยังไม่มี มันยังจะมีปีสมฆ์ว่าเป็นเราที่ไหนอาตมาก็ยังรู้สึกยังแยง่ในใจเยอะแต่ก็ถามคนที่เขารู้บาดีก็บอกว่ามันเป็นรูปประโยคของภาษามันเลยต้องมีมีเราให้เป็นประธานในในตัวคำตรงนั้นเขาไหว้เงี้นนะ <c oughs> เราก็ไม่รู้ภาษาบาดีที่แน่นอนแต่แต่โดยสภาวะก็รู้สึกว่ายืนอยู่ก็แค่รู้สึกถึง ถึงร่างกายบางทีไม่ได้สมมติว่าเป็นยืนนะครับเดินก็ไม่ได้สมมติว่าเป็นเดินหรือแม้แต่เพื่อนักอย่างเวลาเดินนะก็ไม่ได้กสมมติว่าเท้าซ้ายเท้าขวาเลยนะแค่รู้สึกถึงเหมือนเหมือนวัตถุหนึงเหมือนท่านหนึ่งที่มันมันเคลื่อนมันเคลื่อนมันกระทบอะไรทักอย่างมันเป็นอนนะัะมันเหมือนมันไม่ได้เป็นรูปที่ เป็นอวัยวะที่เราคุ้นเคยนะแต่มันเป็นเหมือนธาตุอย่างหนึ่งเป็นวัตถุอย่างหนึ่งที่ที่มันเคลื่อนไหวที่มันกระทบที่มันเปลี่ยนไปของมันเรื่อยๆเห็นเป็นรูปที่มันแสดงมันน่ะไปเรื่อยอืแต่ใหม่ๆมันก็เห็นเป็นเป็นเป็นขาเป็นแขนเป็นนั่นเป็นนี่ก็ไม่เป็นไรนะแต่มันจะค่อยๆผ่อนว่าแต่ก่อนเราคิดว่ามันเป็นเราไงนั เรากําลังกินแต่ต่อไปเราจะเห็นเว่ามันมีความรู้สึกในการเคี้ยวมีความรู้สึกในการกินมันไม่ใช่ว่าเรากินแต่ถ้าคนทั่วไปนะไม่รู้ตัวเลยคิดไปเรื่อย น, นะหรือถ้าคนปฏิบัติแบบใช้ความคิดก็เอ๊ะคิดว่าเรากําลังกินคิดว่าเรากําลังเดินนะแต่จริงพอปฏิบัติจริงมันจะเห็นเป็นมันจะค่อย ค, คเห็นเป็น ตัวที่มันชัดมาเช่นการเคี้ยวสุดท้ายมันก็เห็ตุยังแค่เหมือนศัพท์ใว่ามันไวไวรูปมันไวไวไวไปเรื่อยของมันรวมทั้งอาการของจิตก็เหมือนกั น, นกแรกๆเราก็เห็นตัวที่ชัดชัดเช่นความโกรธจะเห็นชัดเพราะมันอยากเพราะมันแรงความหยากหรือความชอบก็จะชัดขึ้นนะเพราะว่ามันมันก็ดานเหมือนกัน แต่ตัวหลงตัวหลงเนี่ยจะเห็นยากหน่อยเพราะว่ามันมันละเอียดแต่ก่อนเราไ็เห็นในสภาวะแล้วก็เห็นเป็นเป็นสมมติที่เราเรียกว่ามันคืออาการแบเนีน้แต่ต่อมาถ้าจิตมันละเอียดขึ้นนะมันแค่รู้สึกไหวๆไม่ได้ไหวว่าเรียกว่าโกรธหรือรักหรืออยากหรือช่างเลยมันหรือลงนะมันแค่รู้สึกว่าจิตมัน มันมันไหวจินมันไม่ปกติมันจะรู้สึกแบบนี้นะมันจะรู้สึกมันหนักหนักนิดนึงหรือเบาเกินไปหรือว่ามันไม่ปกตินะอันนี้คือเมื่อสติมันมากขึ้นสมาธิมันมากขึ้นมันจะเห็นว่ามันเป็นเพียงแค่อักการขึ้นบางทีไม่รู้ว่าเรียกอะไรแต่จริงก็ไม่ต้องไปเรียกก็ได้่างทีก็เลยเรียก เด่นว่ามันจิตมันไหวนะจิมันไม่ปกตินะนัแต่แต่ก่อนมันก็เห็นเป็นเป็นโกรธเป็นรักเป็นชังเป็นยาเป็นไม่พอใจนะไรนะแต่ต่อไปมันเห็นเป็นแค่ไไหวไไหวไหวอันนี้ไปไหวมันก็เป็นทุกข์ไหวมันก็ไม่เที่ยงไปไหวก็บังคับไม่ได้นั้งนั้นนั่มันจะเห็นาะมันเป็นแบบนี้ของมันเนาะนัะเราก็ดูมันไป ดูจนต้องดูจนอิ่มนะไม่รู้ว่าจะต้องดูขนาดไหนเหมือนกันนะมันบอกไม่ได้เลยแต่รู้แต่ ว, ว่าต้องดูให้มันอิ่มอิ่มอิ่มในที่นี้คือมันไม่รู้เหมือนใครๆเหมือนยุงหรือเหมือนปิงเหมือนผ้ามันดูดเลือด จ, จนอิ่มอนะ่ะมันคลายมันเองมันต้องดูจนห้างมัน มันอิ่มในความเข้าใจว่ารูปนามมันไม่เที่ยมมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนมันถึงจะคายการยึดมั่นถือมั่นดูแค่ครั้งสองครั้งนันเหมือนเราไล่ยูน่ะไล่ไปมันยันไม่อิ่มมันต้องมันกลับมาปกาะใหม่ ม่ต้องพูดก็ได้มันก็เห็นแบบที่มันเป็นนั่นแหละเช่นตอนนี้มันปกติต้องเห็นมันไหวล้วก็รู้ว่ามันไหวแค่แค่นั้นแหละไม่ต้องไปสรุปอ่าแต่เดี๋ยวจิตมันเห็นไม่ไหวมันมันสรุปออกมันเองนอกจากบางคนจิตมันทื่อทื่อแบบไหนมันรู้สึกตัวเฉยๆรู้สึกตัวเฉยๆแบบจิตมันเฉยๆดูกายก็ดูไปเฉยๆดูดู อาการของจิตก็ดูแบบเฉยๆเฉยแบบมันทื่อเกินไปถ้าแบบนั้นอาจจะต้องคิดนํานิดหนึ่งว่าเห็นไหมนี่ยมันเกิดของมันเองนะคือความคิดมันเกิดของมันเองถ้าแบบนั้นอาจจะต้องคิดนํานิดหนึ่งแต่ถ้าเราเห็นมันมันไหวของมันมันคือเห็นว่ามันมีก่อนไหวมันนิ่งใช่ไหมมันนิ่ง หรือว่าก่อนที่มันจะคิดมันว่างไม่มีความคิดจิตแต่นนะมันว่างแล้วต่อมาก็คิดขึ้นมาเนะี่ยถ้าเห็นอบนนี้ยโอเคคือใช่ใช่แต่ส่วนใหญ่คนจะไม่ไม่ไม่เห็นตอนที่มันว่างอะมันก็คิดขึ้นมาแล้วก็ค่อยรู้อะ น, นะหรือดับไปตอนไหนก็ไม่รู้ดับไปแล้วค่อยรู้อะไรนะแต่ก็ไม่ผิดนะมันเป็นมันเหมือน มันเป็นความเร็วของสติซึ่งมัทินอาจจะไม่ได้ทันทวงทีนะแต่ถ้าเราเห็นมันเนี้บ่อยๆมันจะทันเหมือนอย่างที่โยมแดงเห็นวันเนี้ยเมืนอเห็นที่โยมแดงเห็นวันเนี้ยว่าเออมันมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปให้เราให้เราได้เห็นนะไม่ต้องพูดก็ได้ แต่ที่พูดตรงนี้เพราะว่าถ้าเราไม่เห็นแต่รักมันก็ไม่เป็นวิปัสนาแต่ก็อาจจะไม่ต้องพูดว่ามันคือความไม่เที่ยมเป็นทุกข์ไม่ได้ตัวตนก็ได้แต่ต้องเข็นในลักษณะประมาณแบบนี้อย่างที่มาบอกบางทีเมื่อสติมันมากขึ้นมันอาจจะไม่ได้พูดว่าอันนี้คือโกรธโรคหลงในธรรมมันแค่รู้สึกว่าจิตมันไม่ไหวจิตมันผิดปกติไปนะ่หรือร่างกายที่เหมือนกัน เราไม่รู้สึกเลยว่าเป็นแขนเป็นขาเป็นอะไรไม่รู้สึกว่าเป็นเรามันแค่รู้สึกถึงการการเคลื่อนที่หรือการสัมผัสมันเป็นที่จริงลึกๆมันเป็นมันจะเห็นเป็นเวทนาของร่างกายชัดกว่าด้วยเช่นร่างกายมันรู้สึกลมที่มันอยู่ในร่างกายรู้สึกถึงภาตความร้อน ที่มันเคลื่อนที่อะไรนะหรือถรู้สึกถึงธาตุดินที่มันมันแน่นแน่นมันเป็นวัตถุที่มันเคลื่อนไปอันนี้แล้วแต่คนนะแล้วแต่คนอยากมาก็เห็นเป็นธาตุธาตุดินที่มันเป็นวัตถุที่มันที่มันเคลื่อนไปแต่บางคนเขาก็รู้สึกถึงถึงธาตุธาตุไฟอยู่ในร่างกายที่มันมันมันเกิดขึ้นชัดเช่นเวลาโกล่มาเห็น ธาตุความร้อนที่มันขึ้นในมันนะอันนี้คือมันพูดแบบตุ้มกว้างเพราะว่าแต่ละคนเวลาเห็นบางทีก็เห็นไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่เหมือนกันน่ะคือเ ห, เ, เ, หเห็นมันเกิดแล้วก็จะเห็นมันดับเห็นมันเกิดเห็นแล้วมันดับเห็นแบบเนี้เราจะนั้นรูปก็ดีเวทนาก็ดีจิตก็ดีธรรมก็ดี มันเป็นเพียงแค่จิตที่เกิดมาให้ให้จิตเขาเห็นเห็นเขาเกิดเห็นเขาดับจิตเห็นการเกิดเห็นการดับอย่านีน้บ่อยๆจิตเขาจะค่อยๆคลายความเห็นจิดมันจะค่อยๆปล่อยค่อยๆวางเมื่อปล่อยว า, ยางถึงที้สุดมันก็ไม่ชวยมาจากอีกออันนี้คือมันเห็นทุกข์แจ่มแจ่มแจ้งะที่บอกว่าเห็น สุดท้ายมันจะไปรวมกันที่เหตุอริยสัตต์สี่เห็นทุกเห็นเหตุของความทุกข์ละเหตุตรงนั้นได้แจ้งน้โรดนะมันจริงๆนะ่ะบางทีเราจะส่วนแยกเป็นแปดข้อนะถ้าใครใคอ่านแต่เอาข้อจริงนะเวลาปฏิบัติมันมันรวมกันเหมือนกินข้าวยมข้าวกับข้า ว, า ว, าวน้งแกงอะไรต่าง มันรวมกันอย่างน้ น, นะกินทำถูกหนึ่งหนึ่งติ่งก็ถูกไปทั้งหมดนะไม่ใช่ว่าอันนี้ถูกอันนี้พีดีเจ็อันไม่ใช่ถ้าเป็นสัมมามันก็สัมมาทั้งหมดถ้าเป็นวิฉาก็เป็นวิชาทั้งหมดถ้าเป็นสัมมาหนึ่งตัวมันก็จะดึงสัมมาทั้งหมดมานะเช่นนะ่ะที่เราฝึกสัมมาสติ สรมมาสติมันเกิดสรมมาสตินะก็เกิดสัมมาสมาธิเกิดสัมมาวายามะเกิดสัมมาทิฏฐิ ท, ทุกอย่างนะมันจะเกิดด้วยกันดังนั้นตัวสติเนะี่ยเป็นตัวที่ที่สําคัญมากที่มันจะดึงดึงความความถูกต้องนะในการปฏิบัตินะมันจะเป็นมัชเป็ น, นตัวของมันเองนะก็ มันก็ต้องคิดสูตรเอานะอย่างที่ว่าธรรมะบางทีมันก็เพียงแค่พูดให้ได้ยินได้ฟังบอกให้รู้ว่าต้องทําแบบไหนหรือบางทีก็พูดผลให้ฟังหน่อยว่าเป็นอย่างไรเนาะแต่สุดท้ายมันต้องแจ้งด้วยด้วยการปฏิบัติของเราแล้วก็เมื่อเราเห็นเมื่อเราได้สัมผัสเมื่อนั้นแหละเราถึงจะ เข้าใจว่าธรรมะเป็นแบบไหนนะธรรมะมันเกิดผลอย่างไรนะเมื่อเราได้สัมผัสแล้วครั้นี้เราจะรู้คุณค่าของพระพุทธศาสนาอย่างขึกซึ้งแบบรู้คุณค่าของพระพุทธเจ้าอย่างศรัทธาแบบอืมไม่มีข้อสงสัยแล้วรู้คุณค่าของพุทธธรรมก็เหมือนกันนะอย่างที่บอก ธรรมะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมจริงๆนะสละยังอื่นได้แต่ไม่สละธรรมะมันจะรู้สึก ง, งั้นแต่คนทั่วไปนะธรรมะเอาไว้ที่หลังก่อนเอาอยัางอื่นก่อนนะคนทั้งโลกนะ่ะธรรมะเอาไว้ที่หลังเอาเอาเงินก่อนเอาหนะ้าที่การงานก่อนเอานะั้นอันนี้ก่อนแต่ถ้าคนก็ถึรอ ม, มานะยังอืง่นสละได้แต่ธรรมะสละไม่ได้ความเป็นผสมก็เหมือนกันนะ ไม่ใค่ไปหาที่ไหนหรอกนะคนทั่วไปไปคอยวิ่งหาพระอาหารหันต์ตามวัดนั้นวัดนี้นะไปทําบุญแต่จริงถ้าเราคิดอยู่จริงนะพระสงฆ์จริงก็อยู่ในตัวเราเนี่ยแหลนะอยู่ที่การปฏิบัติของเราเนี่แหละไม่ต้องไปหาที่ไหนนะไปแตะแวงหาพระสงนอกตัวเนี่ยได้บุญบ้างอนะไม่ได้มากก็เลยหรอกนะ ได้คุณที่ได้กราบไหว้แต่จริงถ้าไปหาพระสงฆ์จริงจริงไปฟังธรรมเพื่อเอาไปปฏิบัติตอนนั้นได้ประโยชน์แต่พระสมฆจริงจริงคือคือตัวตัวรู้ตื่นเบิกบานในใจของเรานี่นแหละคือพระสง์นั้นไม่ต้องไปหาที่ไหน <c oughs> เราจะเกิดความศรัทธาเกิดความ มั่นใจแล้วก็เกิดผลจากการกระทําของเราเองเนี่ยนะ ก, ก็ฝากไว้